สิ้นสงสัยในชาติและกรรมทั้งสามการฝ่ายคู่บา ร, รมีและมัคคดี ครั้นได้แสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็นฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ของท่าทั้งปวงในโลกนี้และดักใจชาวจิตตนครว่าคิดสงสัยอยู่ในอดีตอนาคตของตนเองแต่ละคนว่าได้ทำกรรมอะไรไว้และจะได้รับผลของกรรมที่ตนทำไว้อย่างไรโดยเฉพาะอนาคตเบื้องหน้าของแต่ละคนก็จะต้องเป็นไปตามกรรมที่ทาไวในอดีตบ้างในปัจจุบันนี้เองบ้าง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 ก็สิ้นความสงสัยในอดิตชาติชาตินี้และชาติหน้าและเริ่มมองเห็นรังในกรรมและผลของกรรมขณะนั้นชาวจิตนครก็เริ่มสงสัยว่าทำไมหนาเราจึงต้องทำกรรมชั่วทั้งที่รู้เห็นอยู่อย่างนี้เราน่าจะทำแต่กรรมดีหรือความดีแต่อย่างเดียวทันใดนั้นก็ปรากฏภาพของสมุนทั้งหลายของสมุไทยลอยอยู่ในอากาศ เป็นต้นว่าโลโพโทโศโมโหและคล้ายๆกับว่ามีภาพของสมุทัยแอบอยู่เบื้องหลังภาพของสมุทัยนั้นปรากฏออกมาเป็นการมตัิหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอย่างรางัรงรงคลุกคล้าอยู่ในอารมณ์ที่ลอยอยู่เต็มไปหมดและยังมีภาพที่เลือนรางยิ่งไปกว่านั้นอยู่เบื้องหลังอีก คือเป็นภาพของคู่อสวะแต่จางเต็มทีขณะนั้นก็ปรากฏเสียงองค์พระบรมครูดังขึ้นอย่างชัดเจนว่าโลโพโทโสโมโหเป็นอกุศลคือรากเง่าของอกุศลอันได้แก่กรรมที่ชั่วทั้งหลายเพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจถูกอกุศลลมูลนี้ครอบงำเป็นคนโลภแล้วโกรธแล้ว หลงแล้วก็จะฆ่าเขาบ้างลักสิ่งของของเขาบ้างประพฤติผิดทางกามบ้างพูดเท็จหลอกลวงตัดประโยชน์เขาบ้างดื่มน้ำเมาเป็นฐานะประมาทบ้างและจะชักชวนคนอื่นให้กระทำเช่นนั้นเะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะละ ก, กำชั่วก็จงละอคุศลมูลทั้งปวงนี้เสียอัหนึ่งอโลโพอโทโส โมโหคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลมูลคือรากเง้าของกุศลอันได้แก่กรรมดีทั้งหลายเพราะว่าคนที่จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะไม่ประพฤติดังนั้นและจะไม่ชักชวนใครให้ทำอย่างนั้นแต่จะประกอบกรรมที่ดีเป็นเครื่องเกื้อกูลให้เกิดความสุขฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะทาความดี ก็จงอบรมกุศลมูลทั้งปวงนี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจเถิดกองทัพใหญ่มักสแสดงกำลังเมื่อสิ้นพระสุรเสียงแห่งองค์พระบรมครูก็เกิดความสงบขึ้นทั่วจิตตนครอย่างแปลกประหลาดทีทีมานะในจิตใจของชาวจิตตนครก็สงบลงบรรดาหัวโจกและสมุนทั้งหลายของสมุ ท, ทยที่ถูกส่งให้เข้าแทรกแซงอยู่ในหมู่ประชาชน ก็ต้องถอยหลบออกไปเพราะไม่อาจจะแทรกแซงอยู่ในที่สงบแต่ก็คอยทีหาโอกาสอยู่ห่างหากเกิดความไม่สงบขึ้นก็จะวิ่งเข้าแทรกแซงทันทีครั้นคู่บา ร, รมีและมักคบดีเห็นว่าชาวจิตนากรทั้งปวงมีจิตสงบเรียบร้อยมีอาการทางกายวาจาสำรวมเรียบร้อยหัวโจกทั้งปวงของสมุทยัยพร้อมทั้งสมุนทั้งหลายหลบถอยออกไปห่างไกล ด้วยอำนาจของอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปฏิหารถึงเวลาที่จะแสดงกําลังแห่งกองทัพมัคในฐานะเป็นอนุศาวนีปฏิหารได้แล้วจึงสั่งกองทัพมัคที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วให้เริ่มออกเดินแสดงกําลังกองทัพมัคจึงออกเดินโดยลําดับดังนี้คือกองทัพน้อยที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแบ่งออกเป็นเหล่าทุกขยาน ความรู้ในทุกเหล่าสมุทัยยานความรู้ในเหตุเกิดทุกเหล่านิโรธยานความรู้ในความดับทุกเรามรขยานความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่สองสำมาสังกปะความดำริอชอบแบ่งออกเป็น เหล่าเนกขมัสสังกปะความดําริออกจากกามเหล่าอภยาปาทสังกปะความดําริไม่พยาบาทอาวิหิงสาสังกปะความดําริไม่เบียดเบียนแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่ 3. สสัมมาวาจาวาจาชอบแบ่งออกเป็นเหล่ามุสาวาทาเวรมณี เว้นจากผู้เทศเหล่าปิสุนะวาจาเวรมณีเว้นจากพูดสอดเสียดเหล่าพุรุสวาจาเวรมณีเว้นจากพูดคำหยาเหล่าสัมผับปลาปาเวรมณีเว้นจากผูพูดเพลเจอร์แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่4สัมมารกรรมตะการงานชอบ แบ่งออกเป็นเหล่าปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่าอธินาธานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยเจตนาเป็นขโมยเหล่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากประพฤติผิดในกามแต่และเหล่ายังแบ่งย่อยออกอีกมากกองทัพน้อยที่ห สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบแบ่งออกเป็นเหล่ามิจฉาอาชีวะประหานะเว้นจากอาชีพผิดเหล่าสัมมาอาชีวกับปะสำเร็จอาชีพชอบแต่และเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากต่อจากกองทัพน้อยที่หก็มาถึงกองทัพน้อยที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบแบ่งออกเป็นเหล่า สังวรระทานเพียงระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเหล่าปหาณาปร ะ, าะธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเราภาวนาประธานเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหล่าอนุรักษนาประธานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และให้เจริญงอกงามขึ้นแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก กองทัพน้อยที่7จ็ดสำมาสติความระดึกชอบแบ่งออกเป็นเหล่ากายานุปัสนาสติปฐานตั้งสติพิจารณากายเวทนานุปัสนาสติปฐานตั้งสติพิจารนาเวทนาเหล่าจิตตานุปัสนาสติปฐานตั้งสติพิจารณาจิตเหล่าธรมมานุปัสนาสติปฐานตั้งสติพิจารณาธรรม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 สุกเอกคัตาเราตติยชฌานความเพ่งที่สประกอบด้วยสุขเอกคัตาเราจะตุทฌานความเพ่งที่สประกอบด้วยเอกคัตาอุเบขาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากครั้นกองทัพใหญ่มากอันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้งแปดเดินแสดงกำลังผ่านไปโดยอนุโลม คือตามลำดับแล้วก็กลับเดินย้อนกลับมาเป็นปฏิโลมคือทวนลำดับอีกครั้งคือกองทัพน้อยที่8สัมมาสมาธิที่7สัมมาสติที่6สัมมาวยามะขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า3กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษจิตตสิกขาหรือสมาธิต่อจากนั้น กองทัพน้อยที่ห้าสัมมาชีวะที่ 4, สสัมมากรรมตะที่ 3, สามสัมมาวาจาขณะนั้นมีเสียงประกาศว่าสามกองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษศีลสิกขาต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่ 2, สองสัมมาสังกป ะ, ปะที่1สัมมาทิฏฐิ 3. ขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า สอกองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษปัญญาสิกขาเมื่อกองทัพใหญ่มกักแสดงกําลังโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วได้มีเสียงประกาศว่าจะมีการแสดงการแปลกระบวนตามระบบที่ชื่อว่าอนุปบทพปฏิปทาความปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติโดยลําดับคือกองทัพพิเศษศีลสิกขาประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะมีชื่อเรียกพิเศษว่าอาชีวะมัทกัสีนคือศีนมีอาชีวะเป็นที่8คือสัมมาวาจาสี่ได้แก่วิรัตหรือเวรมณีทางวาจาสีสัมมากรรมตะสามได้แก่วิรัตหรือเวรมณีทางกายสามสัมมาอาชีวะอีกหนึ่งรวมเป็นแปดข้อ เป็นศีลในอริยมรรคการรักษาศีลแปดข้อในอริยมรรคดังกล่าวเป็นการบริหารจิตให้เป็นอริยศีลคือศีลที่เจริญผู้ที่มาบริหารจิตทั้งหลายจึงควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจศีลทั้ง8ในอริยมรรคดังกล่าวและควรตั้งใจปฏิบัติรักษาปฏิบัติรักษาได้เพียงไรจะเป็นการบริหารจิต ให้เจริญได้เพียงนั้นอนุปุภะปฏิปทาต่อจากนั้นกองทัพพิเศษจิตสิขาประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิต่อจากนั้นกองทัพพิเศษปัญญาสิขาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วได้แสดงอนุปภปภพปฏิปทาแห่งกองทัพมร แปรรูปในลักษณะต่างๆเช่นในธรรมนับตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวด2ขึ้นไปจนถึงโพธิปักจียธรรม37ประการเป็นต้นกระจายออกไป 84,000 พพระธรรมขันธ์แล้วสรุปลงในลำดับธรรมดังต่อไปนี้ข้อที่1ศีลแบ่งออกเป็นจุลศีลมหาศีลต่างๆมากมายอันเป็นเหตุให้ได้อนวัชสุข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 คือสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ในอริยาบทเดินยืนนั่งนอนและในอิริยาบทเล็กน้อยทั้งปวงอันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากความมีสติสัมปชัญญะข้อที่4สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ของตนมีความอิ่มความเต็มความพอไม่คิดโลภเพ่งเลง็งทรัพย์หรือสิ่งของของผู้อื่นเพราะเหตุที่ไม่อิ่มไม่พอ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 ที่ว่างที่สงัดหรืออยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่ภูเขาลำธารห้วยระแหงที่สงบสงัดตั้งสติละนิวรคือกิเลสเครื่องกั้นจิตมิให้สงบตั้งมั่นและมิให้รู้ตามเป็นจริงเช่นกามาฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามอภิชาความล่เพ่งเล็งไปถึงคนและวัตถุต่างๆ ด้วยความอยากได้เป็นสิทธิ์ของตนพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมีจิตปราะศะจากอภิชาพยาบาทมีความเอนดูกรุณาคิดเกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงไม่เลือกหน้าและมีสติสัมปชัญญะคาอาโลกสัญญาคือความสําคัญหมายว่าแสงสว่างกําจัดความง่วงความท้อแท้ความคิดฟุง้งซ่าน มีจิตสงบและความสงสัยไม่แน่ใจในกุศลธรรมทั้งหลายต่อจากนั้นได้ปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็นโดยภาพเปรียบเทียบว่าจิตที่ปราศจากนิวรณมีความสุขเหมือนอะไรหรือเหมือนใครเป็นภาพที่ปรากฏชัดแจ้งในอากาศที่ชาวจิตตลครมองเห็นทั่วกันภาพที่ปรากฏในอากาศอันชาวจิตตลครมองเห็นทั่วกันนั้น ก็เช่นเดียวกับที่คู่บา ร, รมีได้แสดงแก่นครสามีและโยนิโสมนสิการได้แสดงภาคประกอบว่านิวรณห้าเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนความเป็นหนี้ความเป็นโรคความต้องขังในเรือนจำความเป็นทาตและเดินทางกระ ด, ดานส่วนความพ้นจากนิวรณห้าเหล่านี้ก็เหมือนอย่างพ้นจากหนี้พ้นจากโรคพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นทาต มีแต่ความเป็นไทยแก่ตนพ้นจากทางกันดาลบรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษมครั้นแล้วจึงถึงข้อที่6ชฌานสมาธิที่แน่วแน่ทั้งสี่คือ 1. นระงปฐมฌานเพราะเมื่อละนิวรณทั้ง5ได้ก็เกิดปราโมทจิตที่เกิดปราโมทก็คือบันเทิงแล้วก็เกิดปีติ ใจที่มีปีติก็เกิดความสงบกายคือนามกายจึงได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าขั้นปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกขตาคือความมียอดคืออารมณ์เป็นอันเดียวทำให้ผู้ที่ได้ฌานนี้มีกายคืออาการทางใจทั้งหมดเต็มไปด้วยปีติ อันเกิดจากวิเวกคือความสงบสงัดเหมือนอย่างผงสำหรับอาบน้ำหรือสำหรับซักฟอกปัจจุบันเช่นแฟบที่พรมน้ำให้เปียกชุ่มทั้งหมดสองทุติยชาญมีปีติสุขและเอกคตาทำให้ผู้ที่ได้ชาญที่สองนี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยปีติสุข อันเกิดจากสมาธิเหมือนอย่างบ่อน้ำลึกมีน้ำพุผุดพุ่งขึ้นแล้วตกพรมลงไปทั่วทั้งหมด 3. ตัตติยชาญมีสุขและเอกขตาผู้ที่ได้ฌานที่สามนี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติเหมือนอย่างดอกอุบลเป็นต้นที่เกิดโตขึ้นในน้าชุ่มน้ำอยู่ตั้งแต่ยอดถึงโคนทั้งหมด 4. เจ้ตุทชาญมีเอกคัตตาและอุเบกขาผู้ที่ได้ฌานที่4นี้มีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วกายนี้ทั้งหมดเหมือนอย่างนั่งคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวโพลนภาพจิตที่ปรากฏด้วยอำนาจการปฏิบัติธรรมของกองทัพมักมีระดับต่ำสูงดังกล่าวและทุกระดับเป็นความสุขทั้งสิน้นดังนั้น แม้ปรารถนาจะทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็ต้องปฏิบัติทำดังกล่าวตามลำดับคือมีศีลมีอินทรสังวรมีสติสัมปชัญญะมีสันโดษมีจิตตปริโสธนะและมีฌานช า, ชาจิตนครถึงไตรสรนาคมเห็นสัจจะของสมุ ท, ทยัยภายในความสงบนั้น เจาจิตตนครทั้งปวงได้มีจิตทราบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมีความผ่องใสของใจทราบร่านสงบอยู่กันใดนั้นก็มีเสียงที่เปล่งขึ้นคือกล้องในความสงบ พ, พร้อมกันเหมือนอย่างนัดซ้อมกันไว้ว่านโมตัสสะเพะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธทางสระนังขะชาหมิขพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสระะคือที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงธรรมังสระนังขะชามิขพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสระนะสร้างคังสระนังขะชาหมิขพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสระะทุติยามปิ พ, พุทธทางสระนังขะชามิ แมวาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทุตยิยมปิธรรมังสารนังคัชฌามิแม่วาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะทุตยิยมปิสั่งคังสารนังคัชฌามิแม่วาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะตะติยมปิพุทธังสารนังคัชฌามิแม่วาระที่สาม ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสระนะตารณะตติยมปิธ ร, รมังสารนังขัชฌามิแม้วาระที่สามข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสระนะตารณะตติยมปิสร้งางหังสารนังขัชฌามิแม้วาระที่สามข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะนะและต่อจากนั้นก็ได้มีเสียงร้องประกาศขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครว่าสมุทัยเป็นทุกขสมุทย เหตุให้เกิดทุกข์อาสวะสมุทรไทยเหตุให้เกิดอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานสัตว์หาใช่เป็นสุขัดสมุทรไทยเหตุให้เกิดสุขโดยแท้จริงไม่ฝ่ายสมุทรไทยกับพรรคพวกซึ่งต้องถอยออกไปห่างด้วยอนุภาพแห่งกองทัพมัชเมื่อเหตุการณ์ผันแปรไปในทางเป็นประโยชน์แก่กองทัพมัชดังนั้นก็มีความเสียใจมาก แล้วก็ยังมั่นใจในกำลังกองทัพสังโยช์ของตนว่าจะเอาชนะกองทัพมักและจะสามารถยึดจิตนครไว้ได้จนถึงที่สุดขั่าสาวสวะก็ได้กล่าวปลุกปลอบใจสมุทยให้เข้มแข็งต่อสู้ขณะนั้นสติกับอินทรีสังวรได้เข้าคุมทวารชั้นนอกชั้นในทั้งหกอารมณ์กับนิวรได้คุมเชิงใกล้ๆศีลวินยัยและสุจริต ได้เข้าคุมไตรทวานอีกส่วนหนึ่งทุจดิตสได้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆ <blue> ฮิริโอตปะได้เข้าตรวจตราเป็นนครบาลคือตำรวจหัวโจกทั้งสากับพักพวกอันธถานทั้ง ห, หลายได้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆสติสัมปชัญญะคุมการจราจรหรือเอริยาบทอสติอสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ใกล้ๆสันโดษ คุมการปันส่วนทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคอิจฉาโลภะมัชชริยะคุมเชิงอยู่ใกล้ๆสัมมาทิฐิกับโยนิโสมนัสิการและสัจจะคุมสมองเมืองมิจฉาทิฏฐิกับอโยนิโสมนัสิการและมายาคุมเชิงอยู่ใกล้ๆอัปปามาทะธรรมคุมใจกลางเมืองประมาทธรรมคุมเชิงอยู่ใกล้ๆ กองทัพมักได้คุมตรงบริเวณที่ชุมนุมแสดงกำลังคือตรงถนนสี่แพร่งบรรจบกันกลางจิตนครนั้นโดยไม่ยอมขยื่อนกำลังออกไปฝ่ายกองทัพสังโยศก็ได้ชุมนุมคุมเชิงอยู่ไม่ไกลจากกองทัพมักคู่บรมีได้เข้ากากับนิเวศส่วนในของนครสามีอยู่ด้านหนึ่งและกระจายกำลังธรรมขันทั้งปวงออกตรวจตราดูแลจิตนครทั่วไป ในความควบคุมของมักคบดีขั่อาสาวะก็เข้ากำกับนิเวศส่วนในของนครสามีอีกด้านหนึ่งและกระจายกำลังกิเลสตัณหาทั้งปวงออกไปเชิญหน้ากำกับกำลังธรรมขันทุกแห่งในควา ม, มบังคับปัญชาทั่วไปของสมุททยและสังโยชนบดีต่างระดมรวมกำลังเต็มอัตราทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเปิดฉากรบแย่งจิตรนครกัน ยังรอแต่จังหวะอันเหมาะเท่านั้นเป็นอันว่าสงครามชิงจิตนานครจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วสถานการณ์กำลังตึงเครียดอย่างที่สุดกองทัพสองฝ่ายที่พร้อมจะเข้าทำสงครามกันนี้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชั่วพูดง่ายๆก็คืออำนาจฝ่ายดีกับอานาจฝ่ายไม่ดีกาลังพยายามจะเข้าครองจิตใจควรพิจารณาให้เห็นว่า ควรจะยอมให้ฝ่ายไหนเข้าครองถ้ายอมให้ฝ่ายดีเข้าครองก็จะเป็นคนดีมีความสุขถ้ายอมให้ฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็จะเป็นคนไม่ดีมีความทุกข์เพราะความดีย่อมให้ผลเป็นสุขความไม่ดีย่อมให้ผลเป็นทุกข์จิตนาลคอนตึงเครียดครับขันที่สุดโรงงานสังกัดธาตุท้ง5 ขณะที่สถานการณ์ทางทหารในจิตนครกำลังตึงเครียดที่สุดนั้นสถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของจินตนครก็ทวีความขับขันขึ้นมาอีกด้วยคือจิตนครที่เป็นเมืองมีภูเขามื่อหมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่างวงแหวนและค่อยๆกลิ้งเข้ามาหาทั้งสี่ทิศโดยรอบดังกล่าวในตอนที่ว่าด้วยเขาวงแหวนแล้วนั้นได้กลิ้งใกล้เข้ามายิ่งขึ้น และยิ่งสูงเงื้อมงมจดฟ้าหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักถ้าไม่หยุดกลิ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกลิ้งเข้ามาบดขยี้จิตนครทั้งสิ้นให้พินาศไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงทั้งเมื่อภูเขา ว, วงแหวนกระชับวงอันมหอมาสูงจดฟ้าเข้ามาอาการแปรปรวนของจิตนครเองก็เพิ่มมากขึ้นธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ปกติ ถนนสี่แพร่งของเมืองก็ชำรุดสุดพังจนเกือบเหลือที่จะซ่อมระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในทั้ง6ก็ชำรุดหัวหน้าของระบบสื่อสารทั้ง6ก็ทรพลนหย่อนกำลังเรียวแรงไม่ว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมโรงครัวของเมืองก็ชำรุดระบบขนส่งและคมนาคมทางท่อตลอดถึงระบบขับถ่ายทางท่อต่างๆทั่วเมืองก็สุดโทมลงไปทั่ว โรงงานต่างๆของเมืองก็เช่นเดียวกันโรงงานต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วจิตนครได้แก่โรงงานเกสาทำผมโรงงานโลมาทำขนโรงงานนัขาทำเล็บโรงงานทันตาทำฟันโรงงานตะโจทำหนังโรงงานมังสังทำเนื้อโรงงานนหารูทำเอ็นโรงงานอัถิทำกระดูกโรงงานอัถิมินจังทำเยื่อในกระดูก โรงงานวักังทำไตโรงงานหัิยังทำหัวใจโรงงานยะกกนังทำตับโรงงานกิโลมะกังทำพังผืดโรงงานปีหากังทำม้ามโรงงานปะผาสังทำปอดโรงงานอันตังทำไส้ใหญ่โรงงานอันตะคุนังทำไส้เล็กโรงงานอุทริยังทำอาหารใหม่โรงงานกะรีสังทำอาหารเก่าโรงงานมัด ตะเกมัถลุงคังทําขมองในขมองศีรษะโรงงานเหล่านี้สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่งชื่ออาโปโทาตยังมีโรงงานทําไฟอีกหลายโรงสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อเตโชทาดยังมีโรงงานทําลมอีกหลายโรงเช่นโรงงานอัศสาสะปัสสะทําลมหายใจเข้าออก สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อว่าวายโยธาดยังมีโรงงานทำอากาศช่องว่างเช่นท่อต่างๆซึ่งต้องมีอยู่มากมายสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อว่าอากาศธาตุโรงงานทั้งปวงนี้ล้วนชำรุะสุดสมทั้งหมดทั่วเมืองความเปลี่ยนแปลงชำรุะสุดสมดังกล่าวคือความไม่เที่ยง ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกสิ่งไม่มียกเว้นผู้มาบริหารจิตคือผู้กำลังพยายามทำใจของตอนให้สามารถรับสภาพที่ไม่เที่ยงได้อย่างไม่เกิดความยินดียินร้ายวุ่นวายจนเกินไปทำได้เพียงไรก็จะมีจิตใจสงบสบายโดยควรแก่ความปฏิบัติเพียงนั้น